เชยันตรวจสอบสายฉนวนอีกครั้งรพินทําหน้าที่จุดชนวนเมเป็นคนนับหนึ่งถึงสในจังหวะไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปนะักน้อยคอยสองกล้องตรวจการนะเขาแบ่งสันหน้าที่อย่างรวดเร็วดารินกระโดดขึ้นหลังม้าอีกครั้งเพื่อใช้กล้องสองทางไกลให้ถนัดนอกนั้นลงไปยืนกับพื้นกันทั้งหมดแล้วธนูดอกแรกอันเป็นธนูติดสารของจักรราช บอกความไปถึงประชาชนชาวเมืองในเขตพระนครก็ถูกนำขึ้นพาดสายชั ย, ยันกำกับคอยออกคำสั่งพร้อมกับเตือนมาว่ากะองศากันให้ดีนะพยายามไม่เป็นมุมโค้ง45องศาก็กไว้อย่าให้มันต่ำกว่านั้นประเดี๋ยวธนูจะไม่ข้ามกำแพงเมืองอะเอาล่ะเข้าใจแล้วออกคำสั่งได้เชษฐถาตอบ แล้พยักหน้าเรียกน้องสาวร่วมสายโลหิตที่ติดตามกันมาแทบตายให้เข้ายืนประจำที่นานอินเอาทนูติดศารส่งเข้าผ้าสายให้สองพี่น้องช่วยกันเหนียวถอยหลังกะกําลังกันพอตึงๆพ่อชยันนับครบสาก็ปล่อยมือพร้อมกับเสียงพรึบก็ดังขึ้นอีกครั้งกองทัพมาส่วนหน้าแทบทุกคน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 ธนูข้ามกำแพงก็ไปแล้วล่ะค่ะใช้เวลาเพียงไม่ถึงอึดใจเท่านั้นแต่มันเยื้องไปทางซ้ายไม่ตรงประตูเมืองนักห่างซ้ายกี่องศาเสนาธิการใหญ่ร้องถามมาอีกคราวนี้น้องสาวชักอึกอักตอบไม่ถูกปรึกษากันกรมารีเบาๆชัยันเห็นไม่ได้ท่ากระโดดขึ้นหลังมาแล้วแย่งกล้องมาจากมือดารินทันทีอายิงไหมที่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 เราจะน้าสายมาคอยเท้าไว้ก่อนนะผู้กองพอน้าได้ระดับดีแล้วคุณจุดสายชนวนและเป็นคนออกคำสั่งให้ยิงชายันมีหน้าที่ตรวจการย่อมดีที่สุดแล้วสแตนบายระพินร้องบอกมาดังๆ ด, ด, ด้วยน้ำเสียงสัพยอยกยกซิปโปในมือชูสูงให้ทั้งสองเห็นเชฐดากับอนุชาอดหัวเราะออกมาไม่ได้จะล้อเล่นนะระพิน พลาดพลังยังไงก็ชิบหายวายปวงกันหมดทีเดียวนาะชดประชากรหรืออนุชาผู้ยังหัวเราะกึกกึกกึกอยู่บอกมาเหงื่อของตัวเองกับพี่ชายแตกซิกทั้งหมดตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกที่ตื่นเต้นก็เพราะกองทัพม้าของจักรราชขวางอยู่ในส่วนหน้าธนูจะต้องเหิอนอากาศข้ามหัวพวกนั้นและอย่าว่าแต่พวกกองหลังในขณะนี้เลย จั ก, กรราศเองก็เหงื่อแตกซิกจับร่างเมญานีไว้แน่นเพราะรู้ดีตามแผนกำหนดว่าลูกที่สามมันหมายถึงอะไรยึดมาของเจ้าไว้ดีนะเมญานีอย่าให้มันตื่นสะบัดเจ้าตกลงจากหลังเมื่อเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นจั ก, กรราชกระซิบเมยานียิ้มด้วยหัวใจที่กราวแกร่งมั่นคงจับบังเหียนมาไว้แน่น ตาจ้องขมิงไปยังประตูเมืองเชิฐากับอนุชาช่วยกันน้าวคันธนูติดในตโโรูขึ้นมาช้าๆระพินสะบัดฝาซิปโปะมองศบตาทั้งสองอีกครั้งพอเห็นท่านหัวหน้าคณะผู้เมมริมฝีปากแน่นพยักหน้าเขาก็ขีดเปลวไฟลุกวูบจอก็กับปลายสายชนวนซึ่งชายันวางไว้ยาวพอสมควรเขาไม่ได้นับเหมือนครั้งแรก แต่พอเห็นไฟเริ่มกินชนวนลุกลามพร้อมกับทรงควันขึ้นก็ออกคำสั่งหนักๆว่ายิ่งสองพี่น้องปล่อยสายออกไปทันทีจากสายตาเปล่าและจากกล้องส่องทางไกลที่สำรวจในขณะนี้ทุกคนเห็นขนนกสีแดงพุ่งแวบออกจากแรงไงยานเป็นมุม45องศาขึ้นไปในอากาศพร้อมกับควันที่ปลิวชุยเป็นทางชั่วครู่เดียว มันก็หายวับไปกับสายตารากับจรววที่ถูกยิงออกไปนอกโลกชายันขมวดคิว้วปรับเลนอย่างลุกลี้ลุกลนพยายามมองไปที่กำแพงเมืองแล้วร้องบอกมาว่าเฮ้ยไม่มีมันหายไปไหนลมพัดไปตกลางทุ่งเส็จแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเริ่มกระสับกระสา่ายทว่าบัตรนั่นเองก่อนที่ใครจะพูดคำใดออกไปก็ปรากฏเสียงกึก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 คนประตูเมืองก็ไประเ บ, บิดในอาคารบริเวณใกล้เคียงกับประตูห่างจากหลังประตูก็ไป30เมตรเสียงชัยยันโวยวายสุดเสียงนักหญิงธนูระเบิดสองพี่น้องใจหายวาบตะลึงเงันกันไปชั่วขณะความปลอดความหวาดกลัวว่าลูกธนูจะไปไม่ถึงประตูเมืองแท้ๆทำให้ทั้งสองช่วยกันดึงสายสตมเหนียวจักรราเองบัดนี้ลืมตาโพลง่ง มองผ่านประตูเมืองก็ไปจับจ้องยังเปลวไฟที่ลุกฮือท่วมขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลอละมานของกองทัพมาที่เตรียมตัวอยู่และความตื่นตระหนกตกใจขีดสุดของฝ่ายพระนครที่เห็นชัดชัดทหารที่ประจำเชิงเทินช่องรถเหนือกำแพงกระเด็นร่วงหงายหลังลงจากที่ยืนประจำอยู่เป็นระนาวเพราะแรงสะเทือนบางหลนเข้าไปในเขตกำแพง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 รีบกระรดดท้ายดอกธนูเข้าสายแล้วถอยหลังเนียวอีกครั้งอย่างรวดเร็วระพิน์ไพรวันก็จุดไฟวัดเข้ากับสายชนวนในทันทีที่สังเกตเห็นว่าทั้งสองเหนียวได้ที่แล้วยิ่งเขาตะโกนสั่งเป็นคำรบสองระเบิดติดธนูดอกที่สองก็ทยานวืดออกจากแรงเมื่อสิ้นเสียงบงการ น, นั้นทุกคนใจเป็นรัวกรองอีกครั้ง เมื่อเห็นหางนกสีแดงปริวแวบโด่งขึ้นสูงเป็นมุม45องศาอย่างรวดเร็วทยานผ่านเนือกองทัพมาของจักรราชอันรอคอยอยู่เบื้องหน้าไปแต่ทิศทางมันเบนเฉียงไปทางด้านขวาของประตูเมืองเล็กน้อยท่ามกลางกระแสลมที่พัดอย่างไม่คงที่และในครั้งนี้นอกจากเชษฐากับอนุชาซึ่งเป็นคุณยิงแล้วที่เหลือกระโจนขึ้นหลังม้ากันหมดเพื่อมองให้เห็นชัดว่าตำแหน่งลูกธนูมันจะตกอยู่ที่ใด ไชยันนั้นส่องกล้องตรวจการพร้อมอยู่แล้วจึงสามารถมองเห็นก่อนทุกคนเขาขามลั่นออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขีดสุดปากลงคอประตูซีขวาเหนือกันไปตอนถึงบริเวณเชิงเทินหินสิ้นเสียงบอกของชัยยันเสียงครื้นครั้งก็สะเทือนแผ่นดินขึ้นอีกครั้งแม่จะเป็นเวลาป่า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 บานซี่ขวามือราพนาศูลกระเด็นไปหักเป็นเศษไม้อยู่ภายในเขตกำแพงเมืองส่วนประตูด้านซ้ายห้อยร่องแรงเอียงกระเทเร่แข้งไกวยอยู่ไปมาทำท่าเหมือนจะหลุดมิหลุดแลอย่างหน้าหวาดเสียวชยัยย่อสำเร็จแล้วประตูเมืองพังชิบหายละ ว, ว้วยชัยยันแหกปากก้องไม่อีกครั้งด้วยความดีใจจนลืมตัว เชฐาอนุชาเพ่นขึ้นไปจ้องอยู่บนหลังมาด้วยความดีใจเหลือที่จะกล่าวมาเรยกมือขึ้นทาอาเมนส่วนดารินแทบจะเต้นหลอนตะโกนยังลืมตัวเช่นกันโดยลืมนึกไปว่าต่อให้หลอนตะโกนดังสักแค่ไหนก็คงไม่มีวันได้ยินไปถึงหูของจักรราษแงา้ายบุกเร็วขยี้มันให้และบัดนี้ บุรุษผู้นายหญิงเร่งร้องเชียร์อยู่ข้างหลังบทกรามแน่นตาจับเขม็งไปที่ภาพความพินาศของประตูเมืองอันยังตลบอบอวนไปด้วยม่านควันผสมกับผงธุลีซึ่งเกิดจากอำนาจระเบิดอย่างรุนแรงของไนโตรถูกละเขาไมา่ได้ยินเสียงของนายหญิงหรอกแต่เขารู้รู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรหอกสั้นติดธงแดงในมือ บัตรนี้ถูกชูขึ้นสูงเป็นสัญญาณแล้วค่อยๆวาดต่ำลงชี้ไปยังประตูเมืองอันเปิดโล่งด้วยอำนาจระเบิดนั้นบัตรนั้นเองมาทุกมาก็พุ่งเพนจากที่เป็นรูปหัวหอกตงงดิงเข้าไปยังประตูเมืองทันทีราวกับกระแสน้ำป่าพร้อมกับเสียงโห่ร้องสนันวันไหวจักรราบุกแล้ว ตามแผนที่ถูกกำหนดไว้ให้ด้านในฝ่ายพระนครบัดนี้จะโกลาห์นอลลมานอยู่ในภาวะเช่นไรสุดที่คณะอาคันตุกะต่างแดนจะคาดคะเนหรือมองเห็นได้พวกเขาทุกคนเห็นแต่เพียงทหารมาของกองทัพประชาชนพูุทะลวงผ่านประตูเมืองเข้าไปไม่ผิดอะไรกับพายุพระการพร้อมกับพลเดินเท้าที่กระจายล้อมอยู่ทุกด้าน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 และหนุนเนื่องตามกันเข้าไปเป็นสายไม่ขาดระยะเสียงโหร้องเสียงอาวุธกระทบกันเสียงหวีดหวาดกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้คนฝ่ายในเมืองดังแท้สําประสานกันก้องออกมาฟังได้อย่างขนัดทนีจําแนกแยกเสียงไม่ออกเชิดาถอนใจยาวพร้อมกับยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเขาส่งมือไปให้น้องชายจับโดยไม่พูดคําใดทั้งสิน้น สองพี่น้องจับมือกันบีบและเขย่าโดยแรงจากนั้นเชษฐาก็ส่งมือไปให้ระพินและอนุชาก็ส่งมือไปให้ชัยยันต่างฝ่ายต่างบีบกันแน่นดารินนั้นหันมากอดมาเรียผู้อยู่ใกล้ที่สุดส่วนพวกพรานพื้นเมืองทุกคนรวมทั้งสุกรีและทหารโจนอีกจํานวนหนึ่งที่ช่วยกันขุดหลุมฝังเสาก็จับมือกันเป็นรูปวงกลมพากันวิ่งวนล้อมรอบเสาหลักปักธนูสายฟ้านั้น ด้วยความปราปรื้มปีติใจส่งเสียงโหร้องกันอย่างฟังไม่ได้สับมาสองกองพลภายใต้การนําของจักรราชผ่านประตูเมืองเข้าไปอย่างง่ายดายโดยไม่มีการขัดขวางใดๆทั้งสิน้นเพราะอํานาจความประวัตินั้นสร้างความงันงงอย่างสุดขีดให้กับฝ่ายพระนครจึงกระจายกําลังกันออกไปทั่วทุกถนนและทุกจักรวรรดส่วนใหญ่พุ่งตรงไปยังสนามชัยหน้ามาหาปราศาสตร์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 บางก็ถูกตามล้างผลาญเข็นฆ่าโดยกองทัพประชาชนที่ขั้งแค้นอาฆาตมาก่อนปันปูนนองเลือดไปหมดทางพระนครศึกใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทาหารมาของจักรราทุ่งเข้าถึงสนามไชยหน้ามหาปราศาสตร์ซึ่งมีทาหารที่ยังพักดีต่อสิงหราและรหัสยะอีกจำนวนไม่เกินสามสี่พัดคนรวมพลตั้งรับกันอยู่ที่นั่น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 อันเป็นบริเวณของมหาปราศาสตรจักรราชและเมยานีพังงาดมาอยู่กลางศึกเคียงคู่กับรถตะลุยโชคเลือดอยู่กลางพลของทราราตนำหน้าทหารทั้งปูงจนแท้ว่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายจะตามติดไม่ทันจักราราชประกาศก้องให้กระจายกำลังออกล้อมมหาปราสาสและอุทยานไวอยกฆ่าสิงหาราและสรหัศยะจะเป็นให้ได้ จักเป็นให้ได้ยุพ ร, ราชแห่งมรกฎนครตะโกนก้องบัดนี้ม้าศึกนับจำนวนไม่ท่วนตะลุยอยู่บนพื้นบันไดหินอ่อนและกำลังบุกระนําเข้าสู่ทองพระโรงที่ออกว่าราชการแผ่นดินของกระสะั์ทางด้านกองหลังศพของกุตมะเคลื่อนผ่านประตูเมืองเข้าไปแล้วโดยขบวนอันเชิญศพ ปิดหลังด้วยคณะอาคารตุกะต่างแดนซึ่งบัตรนี้ขึ้นหลังมาถอนหลักบัตรธนูมหาประไลายเคลื่อนตามเข้ามาด้วยเพราะยังไม่อาจทราบได้ว่าอาจจําเป็นจะต้องใช้มันอีกเมื่อไรหรือไม่แต่ระพินทร์ไพร์วันบอกกับตนเองว่าบัตรนี้อํานาจระเบิดหรือปืนผาของฝ่ายตนชุกชนิดหมดความจําเป็นลงซะแล้วเมื่อประตูเมืองพังทลายและกองทัพประชาชนโดยการนําของจักรราช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 โดยไม่คิดจะให้การสนับสนุนทหารหลวงฝ่ายทรราชได้ผลอย่างยิ่งและธนูระเบิดนัดแรกที่ยิงผิดเป้าหมายโด่งเลยข้ามเข้ากำแพงไปทำลายบางส่วนในเขตเมืองก็ยิ่งช่วยให้ศักดิ์ธิ์ยิ่งขึ้นบัดนี้ประชาชนพลเมืองภายในตัวมรกรกนครพลานีจากการต่อสู้และซุกซ่อนอยู่ในบ้านหมดไม่มีใครบงังอาจโผล่ออกมาสมทบกับทหารหลวงเลย เพราะความประวัติท่าน พ, นพึงในอำนาจระเบิดบังเกิดความกลัวจะลนลานไปหมดอย่าว่าแต่ประชาชนเลยแม้ทหารส่วนใหญ่ของกษัตริย์สิงหาราเองพอระเบิดลูกแรกคำรนตูมขึ้นพร้อมทั้งอาคารกองบัญชาการถล่มไฟไหม้เท่านั้นก็ระส่ำระสายหมดความคิดที่จะต่อสู้ทุกคนของฝ่ายพระนครยามนี้มีความรู้สึกเสมือนถูกฟ้าดินสาบแช่งลงโทษ สิงหาราและรหัสยะสองพี่น้องเองก็ตะลึงพึงเพลิดเมื่อลูกระเบิดลูกแรกผ่านประตูเมืองเข้ามาทำลายสถานที่และรีพนส่วนหนึ่งแลกยัดไปกับตาเริ่มคุ้มพลพละหนีจากบริเวณหน้าประตูไปรวมกําลังตัดสินใจอะไรไม่ถูกอยู่ภายในบริเวณมหาปราศาสตร์ก่อนที่เชิฐาและอนุชาจะยิงถูกประตูเมืองทังทลายลงซะด้วยซ้าหรือกาชับสั่งแม่ทัพนายกองทั้งหลาย ให้คอยประจำหน้าที่เฝ้ารักษาประตูเมืองไว้เมื่อประมุกและผู้นำทางฝ่ายทหารถอยเสียก่อนแล้วเช่นนั้นขวัญและกําลังใจของทหารทุกคนย่อมจะไม่เหลืออยู่เลยต่างคิดพรลหนีเอาตัวรอดทั้งสิ้นหรือมิฉะนั้นก็ตะลึงไม่สามารถจะทำอะไรได้ถูกกายสั่นตาเหลือกันอยู่ทุกคนเพราะในตรอลูกที่สองตรงเขาระเบิดประตูภายในเวลาห่างกันไม่เกิน3มสนาที ถัดมาอีกลูกหนึ่งเท่านั้นทหารที่เหลืออยู่บริเวณประตูส่วนหน้าทั้งหมดของสิงหราและรหัสยะก็มีอาการขี้ขึ้นไปอยู่บนขอมองตรงตามที่ชัยันประกาศไว้ทุกอย่างที่ยังรบก็อาจรบไปโดยสัญชาตยานเอาตัวรอดแล้วก็ถูกฆ่าตายเป็นใบไม้ร่วงที่ไหวทันก็โยนอาวุธโบกธงขาววอนพร้อมทั้งสุดกายลงคุกเข่าขอชีวิตจากกองทัพประชาชน ขององค์พระยุพ ร, ราชแห่งราชวงศ์เทพซึ่งบุกทะลวงเข้ามาใครยอมแพ้วางอาวุธจงยาทำลายหรือยาฆ่าหรือยาทำลายทรัพย์สินของประชาชนโดยเด็ดขาดนั่นคือประกาศิทธิ์สั่งขององค์จักรราชซึ่งไว้ให้แก่ทะหารฝ่ายประชาชนทุกคนก่อนจะบุกเข้ามาถึงตัวพระนครบัตรนี้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 ชา ย, ยันร้องขึ้นพร้อมกับหัวเราะลั่นในระหว่างที่ควบมาเหาะตามผลสวนหลังเข้าไปซึ่งขณะนี้ผ่านประตูเมืองเข้าไปแล้วและได้ยินเสียงโหร้องสู้รบหนักหน่วงแวววมาจากปราสาทใจกลางเมืองและประตูด้านหลังขณะนั้นทุกคนสังเกตเห็นรพินไทรวันผู้ขรึมสงบและวางเฉยที่สุดอยู่ในอาการกระสับกระส่าย ตลอดระยะที่ควบมาเหาะเาะรวมหมู่กันมาในฐานะกองหลังและทันทีนั้นเองก่อนที่ใครจะทันเอ่ยคำใดก็แลเหินจอมักคุเทศส่งไรเฟิลประจำมือของตนไปให้จันถืออีกครั้งตัวเองแรกเอาลูกซองห้านัดบราวนิ่งมาถือไว้พร้อมทั้งย่ามที่บรรจุเต็มไปด้วยกระสุนจากนั้นโดยไม่ได้บอกอะไรกับใครเลยเขาก็ลงแทะมาควบตะบืงพลาตรงไปเบืองหน้าโดยเร็วระพินนั่นจะไปไหน เช่ากรดารินเหลือเห็นตะโกนถามขึ้นพร้อมกันไม่มีคำตอบจากบุรุษผู้นั้นและไม่มีการเลี้ยวกลับมาใดใดทั้งสิ้นมาของเขาห่อตะบึงสุดเหยียดมุ่งไปทางมหาปราศาสอันเป็นสมรภูมิประจันบานกันอยู่ในขณะนี้เชี่ยาก็พลันเฉลียวใจขึ้นมาในบัตรนั้นพวกเราไม่ควรจะเดินล้าหลังขบวนอยู่แบบนี้นะเพราะการรบข้างหน้ากาลังติดพัน และเป็นจุดสุดท้ายแล้วรับพินคงต้องการจะเข้าไปเห็นเหตุการณ์ด้วยตาและหาทางช่วยเหลือแงซายกเมยานีเราจะยังประมาทใดๆ ไ, ไม่ได้นะอ่ะถ้าจะเอาอยัางไงก็สั่งมาเลยสิชา ย, ยันบอกเร็วปรืเราควรจะตามรับพินเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเฉพาะพวกเราเท่านั้นมีฉันกลางน้อยแล้วก็เมส่วนพวกพลันพื้นเมืองทั้งหมดนะให้อยู่กับพวกของสุกรีและคุมฐานระเบิดเคลื่อนที่ของเราไว้ตามเดิม ทุกคนเห็นด้วยไม่มีใครคานเชษฐาจึงตะโกนสั่งบุญคำและหนานอินอีกครั้งชั ย, ยันยนจุดห0ศนโ์ในตรของเขาไปให้ขยินโดยแลกเอาลูกซองเรมิงตันแบบปั๊มมาถือไวพร้อมย่ามกระสุนจากนั้นทั้งห้าคนก็เร่งฝีเท้ามากวดตามหลังระพินไปในทันทีเพื่อพยายามเข้าให้ถึงเหตุการณ์โดยไม่ต้องการให้มีคาว่าสายเกินไปปล่อยให้พวกพรานพื้นเมืองและขบวนศพของกุตมะ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 ไปคำสั่งก็คือคำสั่งสิงหราและรหัตสยะณนะักบัตรนี้เลือดเข้าตาและตกอยู่ในภาวะจนตรอกซะและ้วกาลังทหารร่วมตายส่วนสุดท้ายที่จะผ่านประตูเมืองด้านหลังออกไปทุกบุกระนำสวนเข้ามาด้วยกองทัพมาของอรชุนทั้งสองพี่น้องคุมพลเข้ารบประจันหน้าหมายจะตีฝ่าวออกไปให้ได้แต่ก็หมดหวังเพราะไร่พลส่วนใหญ่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 และหาทางสกัดกั้นดับเพลิงไว้อย่างเต็มความสามารถป้องกันไม่ให้ทหารของสิงหราและรหัสยะจุดไฟเผาผลาญขึ้นได้จักรราชเอกบัดนิทยานมาอยู่บนลานปราศาส์อันกว้างใหญ่ค้นหาสัตว์รูไปทั่วทุกขนทุกแหงมือซ้ายถือหอกอันโชคเลือดมือขวาถือดาบที่แกว่งควงเป็นจักพันมีเมญานีผลมาเคียงชิดคู่ตลอดเวลา ทั้งสองประจันหน้ากับฝ่ายทาหารหลวงที่โผล่รับมุงคูหาและเสาหินในระยะประชิดในสภาพอันชุลมุนและสังหารไดจนนับศพไม่ถ้วนร่างกายและกรอะที่สวมอยู่อาบชุ่มไปด้วยเลือดของศัตรูธนูหลายต่อหลายดอกที่ลอบยิงมาจากที่ต่างๆเฉียดกายทั้งสองอยู่ไปมาอย่างบุบวิดแต่ผู้ลอบดักยิงเหล่านั้นก็ไม่อาจหลบลี้ปลีกหนีไปได้ท่ามกลางทหารฝ่ายประชาชน ที่ตะลุยตาม ก, กษัตริย์ในอนาคตของเขาเข้ามาโดยไม่ยอไม่คลาดสายตาจักรราษฎรุกทยานเข้าไปจนถึงท้องพระโรงที่ออกว่าราชาการแล้วตะลุยผ่านออกหน้านหลังลงอุทยานไป ต, ตามค้นหาสิงหาและรหัสยาโดยหมายที่จะได้ประจันหน้ากันณนะที่ใดที่หนึ่งภายในเขตราชฐานให้จงได้เมญานีนั้นได้พิสูจน์แล้วว่านางคล่องนักในการรบด้วยหอกสั้นบนหลังมา และเป็นราชองครักษ์ที่มีฝีมือเยี่ยมที่สุดสมดังที่บิดาได้กำหนดหน้าที่ไว้ให้ไม่มีทาหารหลวงฝ่ายทรราชคนใดสามารถยืนหยัดประจันหน้ากับนางได้เกินกว่าสองสามอึดใจแห่งการประหอกต่อให้มีเกราะหุ้มกายมิดชิดแข็งแรงเพียงใดเพราะหอกของเมยานีแม่นยำนักเสียบทะลุลำคออันเป็นบริเวณว่างเปล่าิกิงลงจากหลังมาทุกรายไป วิกรมพระหุดและนายทหารโจนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งล้วนมีฝีมือทั้งสิน้นคุ้มพลออกตามหลังองค์พระยุพ ร, ราชและเมยานีไปอย่างกระชั้นชิดทางด้านอรชุนโพรมเมตและยุทธสถิตบัดนี้รุกกระนำสิงหราและอุปราชพระอนุชาพร้อมด้วยทหารที่เหลือต้อนกลับเข้ามาถึงเขตใจกลางเมืองแล้วการรบอย่างนองเลือดขยายอาณาบริเวณมาสู่สนามชัย สำหรับประลองยุทธหน้ามหาปราศาสตร์อีกครั้งสิงหรารหัสยะไอคอนโคตต่อให้เจ้ามีปีกบินก็ไม่อาจลุดรอดไปได้อรชุนตะโกนกล้องขณะที่บงการในทหารตีโอบวงล้อมกันเอากำลังของกษัตริย์ทรราชซึ่งบัดนี้เหลือรวมกลุ่มอยู่ประมาณไม่เกิน500คนไว้ตรงกลางโดยให้สัญญาณทหารทุกคน ล้อมไว้อย่างหนาแน่นเฉยเฉยยังไม่บุกเข้ารบเหล่าทหารหลวงร่วมตายของสองพี่น้องผู้กบฏต่อราชบัลลังก์ของวิษณาุพรหมนาฏบัดนี้รวมกลุ่มกันอยู่ใจกลางและกลุ่มอาวุธมันไอเท่าอรชุนไอโจนสเสนียกแผ่นดินเจ้าจงออกมาพบ ก, กับข้าตัวต่วตวาตัวเสียงสิงหราตะวาดกึกก้องออกมาจากกลุ่มทหารของตนที่รายล้อมเป็นกำแพงกั้นไว ออรชุนหัวเราะสนันไอ้ขบุไอ้ไอมาหามนตรีผู้เนรคุณค้าออรชุนยืนอยู่นี่แล้วแต่เจ้าแลอยู่ที่ไหนออรชุนร้องตอบเสียงดังสนันเข้าไปธนูดอกหนึ่งปลิววาบเข้ามาแต่ก็ไม่เร็วไปกว่าสายตาของออรชุนไปได้ผู้เท่าแห่งกองทัพประชาชนก้มตัวลงราบกับหลังมา ธนูดอกนั้นวีดวื้อตัดอากาศเฉียดศีรษะไปและจากการลอบยิงออกมาจากกลุ่มทหารที่ถูกล้อมอยู่ของสิงหาและรหัสยะนั่นเองอรชุนจึงเพ่นเข้าใส่และนั่นคือสัญญาณเตือนให้กองทัพประชาชนเร่งเข้าขยี้ทหารที่ล้อมอีกครั้งบีบขนาพรึบเข้าหมดทุกด้านชั่วไม่กี่พริบตาทหารที่เหลืออยู่ประมาณ500คนของสิงหรา ก็ลดจำนวนร้อยลอลงถึงครึ่งจำนวนจนบางตาคงเหลืออยู่ก็แต่ศพที่ล้มกลิ้งอยู่กลาดเกลื่อนเมื่ออรชุนสั่งให้ทหารถอยห่างออกมาอีกครั้งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่จักรราชและเมยานีกับทหารส่วนหนึ่งผลมาลงมาจากบันไดปราศาสด้านหน้าพุ่งลิ้วเข้ามาอรชุน ยุพ ร, ราชแห่งมรกฏนครตะโกนก็ขณะที่ผลก็มาถึงผู้เท่าแห่งกองทัพประชาชนยังคงหัวรอสนั่นวันไว้อยู่เช่นนั้นฉี้หอกไปกลางพลของสิงหาและรหัสยะในที่ล้อมซึ่งบัดนี้ไม่ผิดอะไรกระฝุงลูกแกะพระเจ้าข่าอาญามีผลกล่าวบัดนี้ไอ้มหามนตรีผู้ทรยศกบฏต่อพระราชบิดาของพระองค์ ล้างผลาญราชวงศ์เทพจนหมดสิ้นและตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรราชกดขี่ประชาชามรากรกนครมานานถึงยี่สิบกว่าปีตอกอยู่ในกลางที่ล้อมแล้วพร้อมกับเจ้าสุนัขที่มันขุนไว้จำนวนเพียงไม่เกินสองรอคนพระเจ้าค่า <c ười> จักราชยืนมานิมองดูทหารกลุ่มน้อยเหล่านั้นซึ่งบัดนี้หน้าซีดเผือด กายสันเทายังวาดกลัวสุดขีดหน้าสนามชัยบัดนี้ทหารฝ่ายประชาชนนับหมื่นล้อมไว้แน่นขนาดไปหมดทุกด้านย่าว่าแต่ทุกคนจะถืออาวุธอยู่ในมือเลยแม่เพียงจะฮือเข้าขยี้เดือมือเปล่าชั่วพริบตาเดียวพวกคนที่ตกอยู่ในที่ล้อมบัดนี้ก็ย่อมละเอียดเป็นผุยผงเสียงโหรองเสียงขานนา้มขององค์พระยุพ ร, ราช ด, ดังสนานไปทั้งเมือง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 ก็ควบม้าเข้ามาถึงรวมกลุ่มกันอยู่อีกด้านหนึ่งพร้อมกับปืนทุกกระบอกที่ปลดออกจากลาเตรียมพร้อมจักรราชยกหอกอันชุ่มเลือดชูขึ้นสูงบัดนั่นเองสัพพะสํเนียงที่แซ่ซําราวกับคลื่นในมหาสมุทรก็พลันยุติลงอย่างฉับพลันกลายเป็นความเงียบสงดชนิดเข็มตกได้ยิน ทาหารหลวงมรกรนครทั้งหลายเสียงของยุพ ร, ราชแห่งมรกรนครประกาศขึ้นกึกก้องแช่มช้าได้ยินไปทั่วข้าคือจักรราชโอรสวิศนุพรหมนาฏแห่งราชวงศ์เทพผู้ครองมรกรมาแต่บรรพาการบัดนี้ข้าได้กลับคืนมาแล้วไม่ได้กลับคืนมาเพื่อราชบัลลังก์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 มีอยู่เพียงสคนเท่านั้น 1. อดีตมหามนตรีสิงหาราผู้ทรยศ์ผู้ปรองพระชน ร, ะราชบิดาของข้า 2. รหัยยาผู้น้องอันร่วมมือสนับสนุนพี่ชายในการทรอยศ์และ 3. มแม่มดวาชิกาผู้วางแผนทรยศให้แกสิงหาราและราษยยาพวกเจ้าทุกคนเป็นผู้บริสุทธ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 ก็พา ก, กันก้าวลงจากหลังมาโดยสงบไอ้พวกขี้คลาตาเขาใครยอมอาวุธต่อมันต้องตอยายทหารยิงไอ้พวกขี้คลาที่ลงจากหลังมาทุกคนสยงสิ ง, สงราเพลตมาเรากับฟาผ่าโดยยังไม่เห็นว่าหลบซ่อนอยู่ณตำแหน่งใดกลางพลจํานวนน้อยนั้นแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเหมือนกันธนูหลายสิบดอกขยานออกจากแหล่ง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 แล้วเหนียวไกลออกไปตูมหนึ่งเสียงของมันดังกลบสรรพสำเนียงทั้งปวงและสะกดทุกสิ่งทุกอย่างให้สงบนิ่งลงตามเดิมเชษฐาได้โอกาสนั้นประกาศเสียงอันดังขึ้นในทันทีสิงหราและรัสยะจงฟังเจ้าทั้งสองนั่นแหละเป็นคนขี้คลาตาขาวเจ้าพ่ายแพ้แล้วแต่เจ้าก็ยังบังคับไปทหารที่อยู่ในอำนาจของเจ้าตายก่อนเจ้า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 และสร้างความเดือดร้อนให้แก่มรกฏนครเทพเจ้าแห่งมรกฏจะสา พ, พวกเจ้าให้ถึงกับการพินาศชิพหายทุกคนใช้ ย, ยันระเบิดลูกสองในมืออีกนัดหนึ่งขึ้นฟ้าเสียงดังสนั่นวันไวไอ้มาจนตรอกไม่มีประโยชน์อันใดที่ปากสกรปรกของเจ้าจะเห่าหอนต่อไปอีกแล้วเฮ้ยท ห, หารหลวงที่ล้มผิดทั้งหลาย ใครสำนึกผิดก็ลงมาจากหลังมาและมาสวามิภักดิ์ต่อองค์จักรราชเดี๋ยวนี้ถ้าใครยิงเจ้าด้วยธนูจากเบื้องหลังพวกเราจะฆ่ามันให้หมดด้วยอาวุธสายฟ้าอย่างเช่นที่ถ ล, ล่มประตูเมืองของเจ้ากลายเป็นจุนมาหาจุนไปแล้วเสียงปืนสองนัดและคำพูดของชัยันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักทหารที่เหลืออยู่ไม่เกินสองร้อคนในที่ลอ้อมพากันค่อยๆทยอยลงจากหลังมา โยนหอกและถอดเข็มขัดดาบประจำตัวทิ้งทันทีปรากฏว่าไม่มีธ น, นูจากทหารส่วนหลังที่แวดล้อมใกล้ชิดสิงหราและรหัสยะยิ่งมาอีกและทหารที่ใช้ธ น, นูเหล่านั้นก็ตกอยู่ในอาการสับสนเช่นกันภายหลังจากเหลียวหน้ามองดูตากันอยู่อึดใจก็พากันลงมาจากหลังมาทิ้งคันธ น, นูหมดสิน้นเหลือเพียง25้าคนเท่านั้น ที่อยู่ในสภาพใจเด็ดเดี่ยวยอมตายพร้อมกับเจ้านายเหนือหัวทุกคนสีหน้าตายได้มือกุ้งหอกน่นไม่ยอมลงจากหลังมาแต่เหาะมาเดินออกรายล้อมสิงหราและรหัสยาไว้ใจกลางในลักษณะหันหน้าออกไปรอบทิศเป็นวงกลุ่มสิงหรากับรหัสยาก็พลันปรากฏมองเห็นได้อย่างเด่นชัดกลางกลุ่มทหารร่วมตายส่วนน้อยนั้น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 อรชุนร้องสั่งให้ทหารที่วางอาวุธและลงจากหลังมาเหล่านั้นถอยห่างเข้ามารวมอยู่ในกองทัพประชาชนที่รายล้อมไว้รอบด้านเพื่อกันเฉพาะสิงหรารหัศยะและทหารผู้ซื่อสัตย์ที่คิดจะสู้ตายจำนวน น, น้อยนิดให้เด่นอยู่ใจกลางและพมมองเห็นสภาพการแต่งกายปลอมตนของสิงหรากับรหัศยะอรชุนก็หัวเราะงอหายยกหอกขึ้นชี้หน้า ทุดไอ้ง้าง น, นี่ละกษัตริย์แห่งมรกฎนครและอุปราชพระอนุชาพอเข้าตาจนเข้าจริงจริงก็ถอยยศตนเองลงเป็นไพร่ราบทหารเลวเจ้าทั้งสองเอาเกราะทองคำและเครื่องประดับอิสริยยศของเจ้าไปหมกไว้สถิที่ไหนคิดละ ว่าแม้เจ้าจะหนีรอดวงล้อมออกไปได้จะไม่มีใครตามคนพบฮ่าฮฮฮคำพูดเยาะหยันของอรชุนแปรปวดเข้าไปทั่วทุกคุมขนของสองพี่น้องจนนวดกระดิกสิงหราหนา้าซีดแต่รหัสยะหน้าแดงกำราวกะตำลึงตาลุกโชดเป็นแสงไฟและทันทีนั้นก่อนที่ใครจะทันคาดฝันถึง หอกสั้นในมือที่เนื้อขึ้นอย่างรวดเร็วพุ่งซัดลงมาที่อรชุนพร้อมด้วยเสียงคำรามลั่นไอเท่ามึงตายซะเถอคมหอกพุ่งดิ่งแหวกอากาศตรงเข้าหาอรชุนอย่างแม่นยำในระยะที่ห่างกันเพียงไม่เกินสิบเมตรเงาของมาหนึ่งในกลุ่มที่ยืนรายล้อมอยู่ใกล้เคียงอรชุนผลเพนสุดช่วงตัว กระกายดาบที่ตวัดไปในอากาศกระทบแสงแดดยามบ่ายแวบหอกของกระหัสดยะาที่พุ่งตรงเข้ามาขาดออกเป็นสองท่อนกระเด็นตกอยู่ตรงหน้าของออรชุนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันรวดเร็วสิจนไม่มีใครลำดับภาพหรือดูทันเมื่อมาตัวนั้นซึ่งทรงเสียงร้องคันนองก้องลดขาหน้าทั้งคู่ลงเต้นเหาะสะบัด หันเหียนอยู่ไปมาทุกคนจึงเห็นผู้ที่อยู่บนหลังได้ถนัดจั ก, กรราศหรือแง่ทรายนั่นเองก่อนการเคลื่อนไหวใดๆของทุกคนจะเกิดขึ้นดาบในมือของยุพ ร, ราชแห่ง ม, มรกฎนครชูขึ้นสูงอีกครั้งเป็นสัญญาณให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบกองทัพประชาชนที่กำลังไหวตัว ปืนของอาคารตุกะต่างแดนทุกกระบอกที่เตรียมจะขยับก็พลันหยุดชะงักไปอีกครั้งใบหน้าของบุรุษผู้นั้นบัดนี้ยิ้มละไมแต่ดวงตาทั้งคู่เหมือนจะอัญเชิญประกายแสงแห่งสุริยเทพเข้ามาสถิตไว้ในระหว่างที่รหัสยะสิงหราและทหารผู้พักดีทั้ง25้าคนยืนมาตะลึงเมญานีนั้นใบหน้าแดงจั ริมฝีปากของนางเมมแน่นขยับหอกอยู่ในมือครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่อาจเคลื่อนไหวใดๆ ไ, ไ, ได้ทั้งสิน้น อ, อรชุนเองกลับยืนสงบและยิ้มครึ้นขึ้ไม่แสดงท่าวัตรโนกตกใจใดๆทั้งสิน้นแน่ละเพียงคำสั่งสั้นๆประโยคเดียวเท่านั้นทหารทั้งยี่สิบห้าคนในที่ล้อมย่อมจะแหลกละเอียดภายในพริบตา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 เจ้าชายแห่งราชวงศ์เทพประกาศขึ้นด้วยเสียงดังกังวานได้ยินไปทั่วทุกคนแล้วมองไปยังทหารมาร่วมตายของสองพี่น้องทั้ง25คนซึ่งยังยืนปักหลักถือหอกในท่าเฉียงอาวุธเตรียมสู้ตายอยู่ด้วยสายตาอันตรานีอ่อนโยนพร้อมทั้งปราศัยต่อมาด้วยน้ำเสียงอันแสดงความการุณาดูกร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 แต่น่าเสียดายนักที่เจ้าไปหลงผิดและฝักไฟอยู่กับฝ่ายอาธรรมเอาละเราจั ก, กรราชจะให้โอกาสแก่เจ้าอีกครั้งโอกาสที่จะยังไม่ต้องปลดอาวุธยอมจำนวนแก่ฝ่ายข้าแต่จงแยกแถวขยายกำลังของเจ้าไปรวมกลุ่มกันอยู่เส้ยทางหนึ่งก่อนเถอะปล่อยสิงหาาและรหัสยะ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 ทหารทั้ง25้าคนมองหน้ากันเองอยู่ไปมาครั้นแล้วนายทัพคนหนึ่งอันดูจะเป็นหัวหน้าของทหารกล้าตายทั้งหมดก็พยักหน้ากับพวกตนนิดนึงเป็นสัญญาณทั้ง25มาจึงแปลขบวนจากการรายล้อมเป็นรัว ก, กันออกไปยืนรวมกลุ่มกันอยู่ด้านหนึ่งอย่างเช่มช้าปล่อยให้กษัตริย์สิงหราและรหัสยะยืนมาเคียงกันนิ่งขึงอยู่ใจกลาง และบัตรนี้เมื่อปราศจากวงล้อม็จแล้วก็ประจันนาคหางกับจักรราษเพียงแค่ห้าหกวาเท่านั้นบริเวณถูกล้อมทั้งหมดมีเนื้อที่เป็นวงกลมประมาณ30สตารางเมตรจักรราษยิ้มออกมาอีกครั้งอย่างพอใจสิงหรารหัสยะนี่คือโอกาสสุดท้ายของเจ้าทั้งสองแล้ว ที่จะเข็นฆ่าสังหารฆ่าได้โดยสะดวกที่สุดไม่มีใครขัดขวางทั้งสิน้นแม่ทาหารและประชาชนทั้งหมดจะกลายเป็นฝ่ายฆ่าไปแล้วก็ตามก็อย่าได้เกรงไปเลยว่าคนเหล่านั้นจะกลุ่มรุมกันเข้ามาฉีกทึ้งร่างกายของเจ้าออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเจ้าทั้งสองมีโอกาสที่จะต่อสู้กับค่าได้เยี่ยงชายชาตินักรบและเที่ยนธรรมที่สุด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 ว่าเจ้าคือเด็กผู้นั้นกระดูกของมันปนเป็นธูลีไปนานแสนนานแล้วพร้อมกับโครวงของมันเจ้ามันก็คือไอ้คนพเนจรที่คนต่างแดนมีแผนการนำมันหลอกชาวมารากรนครทั้งหมดเพื่อหวังในมหาสมบัติของแผ่นดินนี้มันจะยกเจ้าให้ขึ้นเป็นกษัตริย์พร้อมทั้งคนสมบัติอันมีค่าของนครนี้ไปเยี่ยงโจรปล้นแผ่นดิน แล้วเจ้าเองก็จะต้องพบกับความวิบัติชิบหายตามคำสาปแช่งของสิวเทพและพระแม่เจ้าอุ ม, มาฮ่ฮ่าฮฮยังใจเย็นที่สุดแง่ทรายริจักรราหัวเราะเบานุ่มสิงหรารหัสยะเจ้าจะเชื่อหรือไม่ไม่สำคัญและข้าจะเป็นใครก็ไม่สำคัญ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 ชายันคันปากยิบยิบยิ บ, ยบจใจเขาอยากจะตะโกนมาว่ายิงแม่งมาให้ทิ้งสิหมดเรื่องแต่เชษฐาดูเหมือนจะรู้ทันเอื้อมมือมาสะ ก, กิดไหล่วะแล้วโบกมือเป็นสัญญาณแกคณะของเขาทุกคนให้นิ่งอยู่ในอาการโดยสงบไม่เข้าไปเสือกสอดใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ถือปืนคอยระวังพร้อมอยู่เท่านั้นยกเว้นระพินคนเดียว ซึ่งบัดนี้เอาปืนสะพายไหล่อย่างหมดสิ้นกังวลมีน้ำซ้ำถึงจุดบุหรี่ใบตองแห้งสูมอัดควันลึกเมื่อไม่มีทางเลือกอย่างอื่นทั้งสิงห์ราและรหัสยะก็ปล่อยลายเสือออกมาในทันทีนั้นโดยไม่บอกกล่าวคําใดทั้งสิน้นสิงห์รากระตุ้นม้าให้พุ่งเข้าใส่จักรราชอย่างกระทันหันพร้อมทั้งเสือคลอกแทงเต็มเหนียว จักรราเป้นมาจากที่เดิมเพียงเก้าเดียวเท่านั้นหอกของสิงหราก็เสยอากาศและทั้งม้าทั้งคนก็ถล่มเลยไปหลายช่วงตัวบัดนั้นเองเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นกึกก้องปานว่าแผ่นดินของสนามชัยจะถล่มสุดลงก่อนที่สิงหราจะชักม้าหวนกลับรหัสสัญผู้ไม่ยอมปล่อยโอกาสก็ผลมา้าก็ฟาดด้วยดาบอย่างดุไร โอรสแห่งวิษณุพรห ม, มานาฏปัดดาบเชไปอย่างง่ายๆอีกมือหนึ่งที่ว่างอยู่ยันเข้าที่กลางใบหน้าของอุปราชพระชาแล้วผลักประกอบกระแรงม้าที่โผลกเข้ามาโดยแรงรหัสสยะม้วนพลิกตกลงไปจากหลังมา้าหมอกระแตคลุกฝุ่นอยู่กับพื้นปล่อยให้ม้าวิ่งเลยไปยืนสะบัดขนคออยู่ห่างตัวสองสามว่าทุกคนเห็นราชวงศ์เทพองสุดท้าย หยอกม้าวนออกไปเหมือนจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องสองศัตรูอย่างเต็มที่ในการตั้งตัวแล้วก้าวจากหลังมาอย่างแช่มช้ามายืนเด่นด้วยเท้าทั้งสองกลางพื้นปัทถภีในขณะที่ตบกระโพกม้าของตนให้วิ่งแอบเข้าไปอยู่ริมทางอันเป็นเวลาเดียวกับที่รหัสสยะตะเกียรตะกายกระโจนขึ้นหลังมาอีกครั้งหนึ่งด้วยอาการขัดเคล็ดแต่เต็มไปด้วยโทสะ พอสองพี่น้องมองเห็นศัตรูอันเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามสละม้าลงไปยืนอยู่กับพื้นผิดธรรมเนียมไปจากการรบเช่นนั้นก็ตาลุกวาวอย่งางไม้มั่นเพราะรู้ดีว่าเป็นโอกาสของตนเต็มที่แล้วเนื่องแต่คนทั้งสองนั้นอยู่บนหลังม้าซึ่งแคล่วคล่องว่องไวและระดับสูงกว่าโดยไม่ต้องนัดแนะหรือเตือนกันเลยสิงหราผู้พี่ก็เหาะม้าเวียนคุ้มเชิงอยู่ด้านหน้าส่วนรหัสยะผู้น้อง ก็เต้นมาพังงานเลี่ยงไปประกบอยู่ด้านหลังทันทีทั้งสองเสยยิม้มหอะมาวนเป็นวงกลมในลักษณะคุมเชิงจักรราชนั้นเพียงดาบเล่มเดียวที่ถืออยู่ในมือยืนเฉย อ, อยู่ตรงกลางแต่ดวงตาชําเหลือกเชษฐาดารินมาเรียอนุชาและชยันขยับปากเหมือนจะร้องออกมาแน่าย จะบ้าหรือโง่หรือไงถึงได้เดิบางอาจลงจากหลังม้าในขนาดนี้น่แต่ทุกคนก็ได้เพียงร้องอยู่ในใจไม่มีเสียงใดๆจะผ่านพ้นลำคอออกมาได้และพริปตาต่อมานั่นเองทุกคนเห็นเมยานิชักดาบของตอนเองที่แขวนอยู่ในฝากข้างเอวปาหือพุ่งตัดอากาศมาปักสวมอยู่ตรงพื้นเบื้องหน้าเจ้าชายของนาง จักราชก็กระชากดาบของเมยานีเล่มนั้นขึ้นมาถือกระชับไว้ในมือซ้ายและนับบัตรนี้ในมือทั้งซ้ายและขวาของเขาจึงมีดาบพร้อมสองเล่มทหารม้าของรหัสยะพากันยืนตะลึงงงแต่ทหารม้าฝ่ายประชาชนโห่ร้องกึกก้องขึ้นอีกครั้งและเปลงเสียงเรียกนามจักราชจักราชจักราจสนันวันไหว แน่ล่ะทะหารม้าฝ่ายประชาชนเหล่านั้นแท้ที่จริงก็คืออดีตทหารกองโจรแห่งอรชุนซึ่งได้เคยพบเห็นเชิงดาบสองมือของบุรุษผู้ประกาศตัวเป็นจักรราษมาก่อนแล้วณนะวันแรกของการพบปะเพราะต่างตระหนักดีว่าเมื่อดาบขึ้นมาอยู่ในมือทั้งสองของบุรุษผู้นี้แล้วไซย์อย่าว่าแตกษัตริย์สิงหาราและรหัสยะสองพี่น้องเลย ต่อให้ทหารมาอีกทั้ง25้าคนจะ ก, กลุ่มรุมเข้ามารบรอบด้านก็ย่อมจะกลายเป็นผุยผงด้วยฝีดาบประหนึ่งกงจักรของเทพเจ้าแห่งสงครามมิยานีส่งยิ้มมาให้แก่เจ้าชายของนางเงียบๆและจักรราชก็เลือบไปเห็นพร้อมกับยิ้มตอบนิดหนึ่งรงข้ามกับศัตรูบนหลังมาทั้งสองพี่น้องซึ่งยิ้มเสีดด้วยความลำพอง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 หาตะหนักเลยไม่ว่าบัดนี้บนความคิดว่าตนได้เปรียบถึงสิบตอนหนึ่งนั้นตนได้เผชิญหน้ากับมฤตยูแล้วมฤตยูสิเต็มไปได้วยความลำพองและยิ้มเยาะอยู่ภายในแล้วทั้งสองก็พุ่งมาก็มาพร้อมกันตามหลักของการรบปรากฏเสียงดังเชียสนันขึ้นไม่มีใครดูทัน เห็นแต่ว่าดาบของรหัสยะถูกปัดจนเฉะเอยขึ้นเบื้องบนส่วนหอกของสิงหราก็ปัดไปไปอีกด้านหนึ่งมาทั้งสองวิ่งเข้ากระทบกันเองจั ก, กรราตปลิวตัวไปยืนเด่นอยู่อีกด้านหนึ่งพร้อมทั้งพยักยิ้มให้กับทั้งสองพุ่งเข้ามาอีกท่ามกลางเสียงโหร้องอื้ออึงขณะนั้นเองเมญิตาโกนก้องออกมาว่า ไอทหารเดินตายทั้งยี่ห้าคนบัดนี้เจ้าจะช่วยเจ้านายของพวกเจ้ารุมขยี้องคจากราชก็ได้พวกข้าจะไม่ขัดขวางใดๆทั้งสิน้นทหารมาทั้งยี่สิบห้าคนที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ทางหนึ่งไม่อาจเข้าใจใดๆในคำพูดของแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนแต่ก็ไม่มีใครอาจขยับตัวเช่นกันทว่าวก็เห็นอยู่ ว่ามันเกินกว่าความยุติธรรมไปมากมายแล้วในการที่คนเดียวดาบเพียงสองมือยืนอยู่บนพื้นดินประจันหน้ากับคนสองคนซึ่งมีทั้งหอกและดาบและสําคัญที่สุดก็คืออยู่บนหลังมาศึกสูงตระงานอาคันตุ ก, กะต่างแดนทั้งหมดซึ่งเบิงจ้องอยู่บัดนี้หัวใจเต้นระทึกยิ่งกว่ารัวกลอง ยิ่งกว่าความกังวลใจเมื่อครั้งยิงระเบิดไนโตรทำลายประตูเมืองยกเว้นรพินไทรวันคนเดียวซึ่งเขาเข้าใจดีว่าเหตุใดเมญานีจึงร้องท้าทายออกมาเช่นนั้นดารินก็มาเรียกเรื่มขยับลูกเลื่อนของปืนในมือเพื่อให้ดูแน่ใจอีกครั้งว่ายังมีกระสุนพร้อมอยู่ในรังเพลิงหรือไม่เพราะมีความคิดตรงกันโดยไม่ได้นัดแนะวะ่ว่า ในวาระสุดท้ายจริงๆแล้วจะยอมให้แงซสายเสียเปรียบไม่ได้เลยถ้าเพลียงพล้ำเมื่อใดสิงหาราและรหั ส, สยะก็จะถูกระเบิดขมองเมื่อนั้นลูกปืนย่อมช่วยได้รวดเร็วและทันการก่อนการช่วยเหลือใดๆของฝ่ายกองทัพประชาชนทั้งสิ่งถูกละสองสาวต่างผิวเข้าใจผิดถนะัด จุดดับของสิงหราและรหัสสยะมาถึงแล้วมาถึงโดยที่ทั้งสองไม่มีโอกาสจะรู้ตัวล่วงหน้าเลยเมื่อแง้าสายถือดาบไว้ในมือทั้งสองข้างละเล่มเช่นนี้เพียงแต่จะปล่อยเวลาให้ล่าช้าออกไปหรือไม่เท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะกระทำตามที่ข้าได้ปฏิญาณไว้กับพระศพของพระราชบิดาและพระราชชน น, นี ณวันที่ราชวงศ์เทพพินาศในครั้งนั้นจักราตะโกนรอยยิ้มหมดสิ้นไปจากสีหน้าดวงตาทั้งสองแดงฉานลุกวาวโบกดาบเรียกเข้ามาเข้ามาอีกครั้งไอ้คนทระยศสิงหาและรหัสยับพุ่งเข้าใสเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่รุมถึงเหยือ่อโดยเห็นว่าเหยื่อนั้น เป็นลูกแกะแน่แล้วและนั่นก็คือการส่งตัวเองเข้าหาพญามัดจูราชเสียงชาิสนันปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทั้งดาบและหอกในมือของสองพี่น้องกระเด็นหลุดจากมือลอยขึ้นไปบนอากาศราวกับถูกแรงมหายักษ์ฉุดกระชากเสียงคมดาบแหวกเนื้อและกระดูกดังตามติดต่อมาเสียงไพ่ร้องอย่างเจ็บปวด สองม้าพกโผลขึ้นขาซ้ายของสิงหาและขาขวาของรหัสยัขาดกระเด็นตกลงมาอยู่กับพื้นเลือดกระจายพุ่งกระฉุดแล้วบัตด น, นกษัตริย์ทรราชกับอุปราชพระอนุชาผู้อมไมหิธมินก็ร่วงลงมาดินกระเดวคลุกฝุ่นอยู่เคียงข้างกันปล่อยให้ม้าวิ่งตเตลิดสวนกันไปคนละทาง จั ก, กราชยืนรังงานอยู่เหนือร่างที่ร้องดิ้นโหยหวนอยู่นั้นทั้งซ้ายและขวาพริปตาต่อมาแขนอีกคนละด้านของสองพี่น้องก็กระเด็นหลุดจากช่วงไหลออกไปสิงหราตาเหลือกชักส่วนรหัสยะดิ้นม้วนอยู่กับพื้นดารินกลับมาเรียหลับตาลงอย่างวาดเสิวเชษฐาชัยยันและอนุชา กะลึงเป็นท่อนหินเพราะภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าชัดเจนเหลือเกินซ้ำยังใกล้จนได้กลิ่นคาวเลือดเสียงร้องของสิงหาและรหัสยะดังเหมือนวัวที่กำลังถูกเชื่อดอ่างทารุณระพินไพรวันเท่านั้นที่สุบุรียืนมาดูอย่างเลือดเย็นพอๆกันเขาเห็นแง่ า, ายที่เคยรู้จักแต่อดีตมาในภาพต่างๆ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 มองไม่ผิดอะไรกับนักโทษประหารของฝ่ายกองโจรที่ทหารหลวงฝ่ายพระนครกระทำการเช่นนี้มาแล้วมันกุดด้วนไปหมดเหลือแต่ส่วนร่างกายและศรีรษะเท่านั้นที่ยังติดเป็นส่วนเดียวกันอยู่ทุกคนของฝ่ายอาคันตุกะต่างเดนมาได้สเตยอีกครั้งเมื่อเห็นทหารม้า25ห้าคนของสิงหราะรหัสยะทากันก้าวลงจากหลังมา สุดกายลงคุกเข้าลงต่อหน้าของจักรราษนายทัพผู้เป็นหัวหน้าของทหารกลุ่มนั้นประกาศขึ้นว่าจักรราษขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญและสถิตเป็นมิ่งขวัญของประชาชาวมรกรนครแทนพระราชบิดาสืบไปข้าพระองค์ทั้ง25คนสำนึกผิดแล้วและขอมอบชีวิตไว้ใต้เบื้องพระบาท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 ได้เคลื่อนไปแล้วนั่นคือเสียงประกาศตอบของจั ก, กรราชไม่นานต่อมาศรีรษะของสิงหราและรหัสยะก็ถูกตัดเสียบปักไม้สูงอยู่กลางสนามชัยทงเหลืองมีลายกงจักรแดงอันเป็นธงประจำราชวงศ์เทพปักสูงเด่นอยู่ในระหว่างกลางต้องลมโบกสะบัดพริว้ว ทำกลางเสียงโหร้องสนั่นไปทั่วทุกมุมเมืองทุกหย่อมยญ้าจากกักรราษตรชอบทำแห่งมรกรกนครขอให้พระองค์และพระราชวงศ์เทพจงทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญชาวมรกรกนครสื่อไปจนชั่วกาลานานขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าขา้า เสียงแส้ซองอวยชัยแพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่ทหารประชาชนทุกฐานะทุกชั้นเมื่ อ, อยุพระราชแห่งราชวงศ์เทพยืนเด่นอยู่บนแท่นสูงสุดณนะกึ่งกลางของบันไดหินอ่อนหน้ามหาปราศาส่วนกลางสนามชชยก็เนืองแน่นไปด้วยทหารและประชาชนซึ่งออกจากที่หลบซ่อนแห่กันมาสมทบนับแสนแน่นยัดเยียดไปหมด ตาลางนิ้วแสงแดดยามบ่ายทอจับร่างในชุดเกราะทองคำนั้นอารามเรืองราวกับเทพพเจ้าเขายืนชูมือเปล่าทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะโบกต้อนรับเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีของประชาชนาวมรกฎนครทั้งหลายมันเป็นภาพประทับตาเตือนใจที่สุดของฝ่ายอาคันตุ ก, กะต่างแดนทุกคนที่เข้ามาร่วมศึกช่วยกู้บอลลังให้แกราชวงศ์เทพ และกู้ประชาชนชาวมรกรนครในครั้งนี้โดยไม่คาดฝันมาก่อนดารินน้ำตาไหลซึมด้วยความปลาบปลื่มเมือ่อทอดสายตาไปยังร่างที่ยืนระงานลิบลอยู่บนบันไดชั้นบนสุดของมหาปราศาสตร์ในหูของหล่อนอื้ออึงไปด้วยเสียงโห่ร้องโวยพรและรับขวัญ น, นั้นมันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเชิฐาชยัน มารีและอนุชายิ้มออกมาด้วยความเต็มตื้นปีติส่วนพวกพรานพื้นเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุญคำเกิดเซยจันส่างปาขยินและหนานอินกระโดดโลดเต้นชัยโยโหร้องร่วมไปกับประชาชนชาวมรกรนครทั้งหลายด้วย เงาซายได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วโว้ยฮ่าฮดีใจจริงๆโว้ยแต่พูดอย่างนี้ไม่รู้หัวกูจะขาดหรือเปล่าวะเนี่ยตะเท่าบุญคำกระโดดตัวลอยร้องออกมาอย่างลืมตัวแล้วรีบตะครุบ ป, ปากตัวเองไว้โดยเร็วระพินไัยวันคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในอาการสงบสีหน้าเฉยเมยปราศจากยินดียินร้ายใดๆทั้งสิ้น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 เสียงหวานนั้นกระซิบขอโทษครับบางอื่นผมขอแห้งเกินไปไม่มีเสียงจะช่วยโห o ร้องด้วยและวันนี้เป็นวันที่ผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตเหนื่อยกว่าวันใดๆทั้งสิ้นครับเสียงตอบนั้นเบาเรียบนี่ดีใจไหมที่คุณเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยแง่สายของเราในครั้งนี้จอมพรานยักษ์ไหล ก็งั้นๆนหละผมไม่มีบทบาทอะไรมากนักหรอกตอนที่มันมาสมัครเป็นคนใช้ที่หนองน้ําแห้งในการเดินทางมาในครั้งนี้จริงๆผมก็จะไม่รับมันอยู่แล้วแต่คณะของคุณหญิงที่เป็นผู้รับมันมาเองคุณๆทั้งหมดนะถ้าจะมีผมคิดว่าเป็นของคุณชายเชษฐาคุณชายยันแล้วก็คุณหญิงดารินมากกว่านะครับคนใจหินแต่ก็น่ารัก